อนาปฏิวานพิกษุีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัิคือ720 1. ภิกษพิุียังไม่ถูกสงสวดสมนุภาพสอพิกษุณีผู้สละ 3. ภพิกษุีวิกลจริต 4. ภพิกษุีต้นบัญญัติสังขารทเสษสิขาบทที่8จบ